ถามเมื่ออยู่กับบางคนทำไมถึงรู้สึกอึดอัดทั้งที่ยังไม่พูดกันสักคำในขณะที่กับอีกคนหนึ่งรู้สึกสบายสบายแม้จะอยู่กันเงียบเงียบก็ได้ตอบเพราะคนเราต่างกันครับกระแสของความเป็นบุคคลที่ต่างพวกต่างอัธยาศัยจะเป็นคลื่นรบ ก, กวนให้คนรู้สึกไม่สบายส่วนคนที่มีตัวตนใกล้เคียงกันจะรู้สึกสบายกว่าแต่ทั้งนี้ก็มีกรณียกเว้น คุณอาจรู้สึกสบายเมื่ออยู่กับคนต่างทาตนิสัยได้หากเขาเป็นพวกชอบความรื่อนรมไม่คิดมากตลอดจนเปิดใจกว้างมีความปรารถนาดีและเป็นมิตรได้กับทุกคนพวกเนี้ยกระแสจิตจะแผ่ออกไม่ใช่ปิดเข้าจึงกระทำให้อากาศรอบตัวให้เป็นที่น่าอยู่สำหรับผู้คนเกือบทุกประเภทความเงียบสงบทางจิตของฝ่ายหนึ่งนะครับ ถ้ามีเกินความฟุ้งซ่านของอีกฝ่ายมากๆก็จะเปรียบเหมือนความว่างที่มีปริมาณเกินฝุ่นลมฝุ่นลมจะถูกลืนหายไปในความว่างปริมาณมหาศาลแม้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีมองมาจึงเห็นแต่ความว่างรู้สึกถึงแต่ความว่างไม่เห็นฝุ่นลมไม่รู้สึกถึงฝุ่นลมเมื่ออยู่กับคนที่สงบมากๆความฟุ้งซ่านของคุณจะหมดลธิยังผลให้สงบตามเขาไป ไม่ต่างจากที่ฝุ่นลมถูกความว่างกลบกลืนหายหุนคนส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านซึ่งก็มักแข่งกันว่าใครคิดมากกว่าฝ่ายฟุ้งซ่านมากกว่าจะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดโดยไม่ได้ตั้งใจหาก่านิสัยพอเข้ากันได้ก็ไม่ถึงกับต้องหลีกหนีแต่อย่างน้อยจะถูกกดดันให้ต้องพูดคุยกันตลอดเพื่อเป็นการแบ่งเบาหรือระบายความอัดอั้นภายในอย่างไรก็ตาม คนธรรมดาที่ต่างก็ฟุ้งซ่านด้วยกันนั้นบางประเภทพอมาอยู่ด้วยกันก็อาจส ง, งบได้ด้วยเหตุปัจจัยอันเป็นกุศลกล่าวคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีจิตเป็นบุญคิดไปในทางดีแบบเดียวกันตั้งใจไปทําบุญร่วมกันหรือแม้เคยร่วมบุญกันไว้ก่อนในอดีตชาติคลื่อนความเป็นกุศลก็จะประสานจิตทั้งสองฝ่ายให้เกิดสุขนิ่งๆได้คนทั่วไป มักแปลความรู้สึกชนิดนี้ว่าเป็นความรักซึ่งอาจใช่หรือไม่ใช่ต้องดูองค์ประกอบอื่นอื่นอีกหลายด้านอากุศลจะไม่ทำให้รู้สึกสงบและสบายยังไรก็ตามพวกที่มีรัศมีรอบตัวเป็นมิตรและกล่อมจิตคุณให้เป็นสุขสบายได้นั้นก็ยังซอยย่อยออกเป็นอีกหลายแบบทั้งแบบแสนดีครบวงจร และทั้งดีด้วยกายวาจาภายนอกแต่ใจแฝงซ่อนความชั่วร้ายไว้ภายในอย่างแนบเนียนอันเนี้ยคุณต้องดูพฤติกรรมนานๆอย่าเพิ่งตัดสินกันด้วยกระแสะรอบตัวเขาในช่วงระยะแรกครบอย่างเดียวครับดังตรินยีิบสีมกราคมพุทธศักราช5องหันห้าร้อีหัาสิน